เนาะมันแค่จำศีน罢了เนี่ยรอาหารได้ยุต<音>ิมีแนวเดียวธรนมดแนวอดหนัแต่ดอาหารรอาหารได้แล้วก็สบายแล้วรถได้อนบ่มีก็ว่าสิบวันันก็ว่ายาก ว่าจิกินน้กระจากจับจับแฉกคงไม่ไูวแล้ว <c oughs> นั่นแหะคนเ่าเพราะเศร้าสมพราเศร้าปากคิดซื้อว่าเป็น <c oughs> ส่วนร้ายก็ล่าสวดหน่อยๆหรือนั่งหลายๆปฏิบัติหลายๆคาสวดเป็นคําของพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่องไว้ให้สวดเพื่อนเสิญคุณของพระพุทธเจ้า บทพระสูตรพระพุทเจ้าไปสู้รบกับพระจมานอยู่ตรงไหนตรงไหนแบบสงฆ์จไปสวดเจริญให้พวกเทวดาอลักษ์เจ้าภูมิอะไรได้ดูได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังวกกิดตะวันยานในทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะทางบ้านของพวกเราอยู่ตามป่าชาพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติทายุง่งยาก กิตไม่สงบต้องเข้าปรชาช้านะเข้าปรชาช้าก็ต้องเข้าคนเดียวนีว่ไม่ใช่ว่าไปเป็นหมูมันไปพึ่งคนอื่นถ้าไม่มีเพื่อนก็พึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์พุทธังทำมังสร้างคังทารนังคาชามิยึดพระพุทธเจ้ายึดพระธรรมคำสั่งสอนของพระเลยยึดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า่สส า, สส า, าเป็นสระ ที่กราบที่ไหว้ที่เระลึกนึกถึงนะ <c oughs> พอเราลึกถึงจุดนี้ก็หายล่ะหายกลัว <c oughs> อจะกลัวจะกลัวจะกลัวคิดว่าเป็นเสือมันก็เสือมา <c oughs> คิดว่าเป็นอะไรก็มานะ่ะมันเป็นสัญญาไปแล้ว <c oughs> ให้จิตใจกล้าหาญให้จิตใจมีความสงบ ถ้าตัดไม่เก่งไม่กลัวไม่ไม่กลัวก็คือไม่กลัวตายะถือว่าไม่กลัวตายถ้าไม่กลัวตายมันก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้อย <c oughs> ู่น้อยอยู่ได้อยู่มากอยู่ได้ได้ป่าในดวงที่ไหนที่ไหนอยู่ได้หมอ้อยิ่งยิอยู่คนเดียวยิ่งสบาย <c oughs> ไม่มีภาระพันทะอะไรนี่แต่หน้าที่จะทําจิตทห้นิ่ง พูดไปพายพูดแต่ตเขาพูดเจ้าให้จิตนิ่งให้จิตนิ่งไม่หรอมุเกะนี่แ <c> ต <oughs> ่มันนิ่งมันก็สงบสุกรนยิ่งกว่ากลมสงบไม่มีจิตของคนไม่สงบม <c oughs> ันปรุงร้อยแป๊บเดียวนะแ <c> ป <oughs> ๊บเดียวมันไปปั๊บตามไม่ทันแล้วแป๊บเดียวไปถึงไหนแล้วแป๊บเดียวไปถึงประเทศไทยแล้ว ฉะนั้นให้บังคับมีสติระลึกลูกเพราะดูละเอียดทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นของละเอียดลึกซึ่งสุขขุมคำพีลภาพนี่ <c oughs> ผู้ไม่ตั้งอกตั้งใจทำจริงๆดูจริง ๆ, ๆให้รู้ให้เห็นจริง ๆ, ๆหรอือยากเพราะใจของคนอยู่ในโลกมัน บุงแต่งอยู่ด้วยความบุงแต่งจะมาบังคับให้อยู่แคบเดียวอย่าประทานพิธีของพระเจ้าก็จงให้เสียสละออกไปปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้อยู่ในปราสาทราชวังนี่สามฤดูถ้าได้ตัดทรู้อยู่ในปราสาราชวัางพระพุทธเจ้าคงตัดทะรู้อยู่ในปราสาราชสวังเลย ขาร้อนก็ไปอยู่ประสาทที่หนาว่ <c oughs> าดหนาวก็ไปอยู่ประสาทที่อุ่นน่นหรื อ, ร, อร้อนหนรือดูหนาวหรือดูฝนมีให้ทุกอย่างแต่มันไม่ไม่เป็นไปเพื่อ <c oughs> เพื่อความสะดวกมันไม่ตัดขาดไม่ตัดกิเลตออกขาดขออกจากหัวใจไปติดร้อนติดหนาว ก็ไปติดสุขติดทุกข์ถ้าสุขก็สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์มาเจอยุปนไม่มีทุกข์นะถ้าเราละถอนปล่อยวางได้หมดเห็นไมดูดูแป๊บเดียวน่ะไม่มีความทุกข์อะไรที่ไหนแล้วที่นี่ตัวพะยามันมันจะมาสู้รบเราลบทุกขเวทนาเจ็บปวดตะเทนี้ แคปเดียวมันเป็นไรน้ำเขา่นาน้ำเขา้นาน้ำเข่าก็บเริ่มเข้ามาแล้วยิ่งตั้งสัจจะยิ่งมาเร็ว <c oughs> ถ้าไม่ได้ใช้ชนะ <c oughs> เขากัมันก็มาอยู่ตรงนั้นแหละถ้าได้ใช้ชนะเราก็เหมือนทังโลกกันแหละเขาฝึกเราก็ฝึกเขาฝึกเราก็ฝึกไม่ใช่พังเผลอกพราได้ใช้ชนะเราจะปจะโไม่ฝึกอีกไม่ได้ ต้องดูมันเพียนพยายามบังคับอยู่เสมอบังคับจิตใจบังคับกิบเลสแตถ้าปล่อยถ้าวางหมดแล้วมันจะขึ้นไหนก็ ม, นมีความสุขไม่ไปยึดไปถึงจิตใจไม่ปไปกาะไม่ไปเกาะเกี่ยวเองนั่นแหละสิ่งที่ทําให้จิตใจโสกโปะ ก, ก็ไม่ไปเกอะไปเกี่ยวแล้วมันโสกโปกขี้เกียจซักเหมือนเสื้อผ้าเราใสเราโน้มนั่ง อยากให้สกปรกเปลืองเป็นภาระกันซักกันถูกันฟ อ, อกกันะอะไรนี่ทางกิตจใจก็เหมือนกันต้อมีสติเป็นเครื่องกั้นเอาไว้ เ, เรื่องกัน้นเครื่องป้องกันพระเจริญกันสนพระเจริญจะเข้ามาแล้วลึกลู่สติแล้วลึกลู่พระเจริญจะมาทางนี้มาทางไหนมาด้วยความปรุงแต่งเตือนให้ฟัง อยู่คนเดียวระวังความคิดพุงนั่งความคิดเห็นไหมล่ะ <c oughs> ที่เดียวเราอยู่ทางโลกคุ่คุกคี อ, อยู่จะไปนั่งแป๊บเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกต้องตัดขาตัด บ, บัวยังเหลือใจตัดต า, ามใจมก็ไม่ผ่านอีกยังไปค้องมีติมด่าอยู่ที่จะขาดได้ก็คือสัจจะของพโภติเจา้า จะจไม่กลับไปอีกแล้วจะสู้ให้เห็นในเห็นความสุขความทุกข์จริงๆแหละว่าทาเหตุเป็นทุกข์มาจากไหนสุขมาจากไหนในธรรมมันจะ ก, กิด พ, พัฒนาสู่ทุกขโมทัยนิโรธมรรคทุกขมรรคเป็นไงทาเหตุให้เกิดทุกข์มันมาจากไหนนั่นเครื่องดับทุกขบายเครื่องดับทุกข เหมือนอย่างไฟไหม้บ้านนั่นแหละ <c oughs> ทุกพราไฟไหม้หาวิธีจะดับเลยจะทำไงได้อุบายหาวิธีมาดับไฟเลยอุบายเครื่องดับทุกไม่ใช่ว่าจะดับเลยต้องมีอุบายวิธีหาเครื่องมาหน้าหมาอะไรต็อะไร <c oughs> ทุกไยในใจของมันกันเมื่อเวลาเราเร า, เราไม่คิดไม่ปรุงเรื่อง ความยึดความถือความห่วงความอะไรออกไปแล้วมัก็ไม่มีที่จะไปทุกข์หรอกใจมันจะไปทุกข์ตรงไหนหรอมันเจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหนใจแต่ม on ันไปยึดไปหมายตัวจิเลตไปยึดหมายมาทั้งขาทั้งกายก็เหมือนกันมันก็ไม่ทุกข์ดินน้ำลมไฟเราขุดดินลงไปแล้วตีลงไปแม่น้ําลมเราตีลงไปเราทุกลงไปธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟในตัวของเราก็มีนี่ ถ้ากิตัวใจไปคองอยู่นั่นจะยึดถืออยู่นั่นใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าไม่มีใจก็ว่าเป็นคนตายตัวเผาลงไปสิมันก็ไปยึดถืออยู่ตรงนี้ <c oughs> ใ่ปัญญาได้พิจารณาแล้วพิจารณาอีกทําแด้ทำอีกอย่างนั้นนะ่ะอุบายของพระเจ้าเดิมจึงได้มีสัจจะเมื่อเวลาไม่กลับออกไปสู่โลกแล้วมันก็ตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติ จะปรุงไปตามออกไปเราก็มตั้งใจอยู่แล้วไม่ได้ออกไปแล้วจะไปทําอะไรล่ะหน้าที่ผู้สามะัะคืออะไรพพ <c oughs> อาจารย์เพะภพอาจารย์ไม่ได้หวนด อ, อกไปแล้วเนือ <c oughs> สัจจะบังคับไปแล้วก็มันก็เห็นปฏิ <c oughs> บัติเข้าไปก็เห็นแล้วก็ออกไปทําไม <c oughs> <c oughs> มีแต่หาเรื่องทุกข์ไปสู่ทางโลกทุ ก, กทุกปัจจุบันแล้วก็นามาซึ่งความเกิดอีกนะ มันก็อยู่ใจหัวใจของเราเนี่นยเขาจะไปทางโลกมันแบบว่าใครทําให้เกิดแล้วลักโลกลักโลกสองตัวเนี่ยออกไปไปมีความโลกมีคนโลกก็มีความรักก็มีสาเหตุหรืจที่ก่ได้โลกมีสาเหตุที่ได้รันกนะถ้าตัดออกไปเราโอ้แต่เรื่องยุ่งั้งนั้นเ <c oughs> มื่อตัดออกไปมันเห็นต่างคนเป็นจริงตงกบ นั่นเรามาสู่ธรรมของพระเจ้าธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคิดในทางที่เบื่อหน่ายดัมริในทางที่เบื่อหน่ายธรรมทิฏฐิเห็นชอบนี่ความดัมริชอบความเห็นชอบดัมริแบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นความเห็นหนัน่นเห็นไหมความเห็นก็อยู่ในใจตัวเดียวอยู่ตัวเดีย ว, ต ว, ยวแต่อุบายของใจโอ้ยเยอะแย ะ, ยะกิเลสอุบายของกิเลสพยายามเน้นหนักเวลา เลิกกันนั้นไปสู้รบตัวนี้แหละจึงไม่มีพระพันธะอะไรเลย <c oughs> อย่างพวกที่อดนอนพอ่อนอาหารก็เหมือนกันเพื่อป้องกันไม่ให้มันขาดวักขาดตอนนี่มันยาวต่อไปไม่ไดีมีปัญหาจะไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นเวลาอดนอนพอ่อนอาหารกบอกมูบอกพวกบอ ก, บอ ก, บอ ก, บอกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ย <c oughs> มันไม่ได้ไปห่วงเรื่องจิดวัดข้อวัดเรื่องนอนเรื่องนี่ปล่อยให้ด้วยความสะดวกด้วยการปฏิบัติธรรมทาใมเอาอวันสองวันเลยมันก็ไม่อยู่แล้วกีเ <c oughs> ่เดือนังวันหนึ่งเดยไม่พ้นเอาสองวันสามวันอยู่นั่งพ่นทุกคนใดพ้นพนคนพ้นทุกเป็นยังไงละคนพนทุกหนังสือคนพ้นทุกอยู่น้ำสือท่องได้วิธีก็ท่องได้ แต่การทำเละมันพ้นหรือพ้นพ้นหรือไม่พ้นนี่คำว่าภาษาบ้นานนอกว่ากัวแหงหัวแหงเขาไปเลยยังโบมีวันเสียหายเขาสมาธิทางทุกเวทนาโบมีวันเสียหายถ้าเขาสมาธิแบบจิตเป็นสมาธิาาตัติไม่ทันกับผลเสียหายมีเออกระดับ เ, เป็นเกิดนิมิตเนี่ยที่พรท่าน ไปอ้างว่าถึงนั่นถึงนี่เห็นนั่นเห็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไปยังอะไรนี่เป็นแสงสว่างมาหลอกมาหลอกจิตใจยังพรท่านแะต่คิดว่าจากไดก็เพราะท่านมาหนังเราไปเจอมาหลอกมาหลอกว่นไปว่นมาว่นไปแสงใสสะอาดเอาไปคิดมาคิดจากได้ไปให้มุ่ให้พวกเรานั่งสมาธิาบบได้หยัางเอาไปสู่โมบัง ก, นนก็ได้ตัวเห็นไหมล่ะนั่นจับแสงตะไดแสงมาหลอกือก็ไม่เห็นนะ บางทีก็ตื่นมัดบางีความรู้สึกเข้าสมาธิแข็งมดตัวนั่งนิ่งกันเรียกว่าสมาธิหมอต่ออยู่แล้ว <c oughs> มันละเอียดทำของปุจจารก็เพียรค่อยปัญญาเวลาเราแตดสินใจเราอเราอยู่ปฏิบัติทำเท่านันวันเท่านี้วันก็ให้มันต่อเนื่องไม่ใช่อยู่นับเอาวันเฉยๆเข้ามาอยู่วัดกทําให้จิตของเรามันอยู่จริง ไม่ได้ก็ตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมก็ให้มันอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมเวลาออกไปจึงไปทา <c oughs> อยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ออกไปก็พยายามฝืนทาอย่างนั้น <c oughs>